เคยมีการทดลองนะแต่ว่าไปแล้วก็เป็นการทดลองที่เตือนใจเราได้ดีมากเขาเอาอาสาสมัครเนี่ยประมาณสักสิบยี่สิบคนหลือจะมากกว่านั้นเนี่ยให้มาทำแบบทดสอบง่ายๆก็คือว่าให้ดูว่ามันมีเส้นอยู่สามเส้นนะหนึ่งสองสาม แล้วก็ให้ลองตอบว่าเส้นไหนที่มันมีขนาดยาวเท่ากับเส้นที่สี่นะแล้วก็เส้นทั้งสามเนี่ยก็มีความสั้นยาวเนี่ยแตกต่างกันชัดเจนนะไม่น่าจะตอบยากนะแต่ว่าคนที่เข้าร่วมการทดสอบเนี่ยเขาไม่รู้ว่ามันมี หน้ามาอยู่จำนวนหนึ่งนะอาจจะประมาณสักสี่ห้าคนเข้ามาปรับปนด้วยแล้วพอผู้ทดลองเนี่ยเริ่มถามให้แต่ละคนบอกคำตอบของตัวว่าต้องลงไนเส้นไหนนะที่มันตรงกับเส้นที่สี่เนี่ยเขาก็จะถามหน้ามาก่อนหน้ามาก็จะตอบผิดทุกคนเนี่ยนะตอบผิดหมดเลย บอกว่าผู้ที่เป็นอาสาสมัครเนี่ยซึ่งตอบที่หลังเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะคล้อยตามความเห็นของหน้าม้าแล้วก็เลยตอบผิดนะก็เพราะว่าอาสาสมัครที่ตอบผิดเนี่ยมีถึงเจ็ดนสะิบห้าเปอร์เซนตะทั้งๆที่มันไม่น่าผิดคือถ้าไม่มีหน้าม้าเนี่ยนะร้อยทั้งร้อยก็ตอบถูก แต่พอมีหน้ามามามาทำให้เขวนะคนอื่นก็เขวตามนะไม่ใช่น้อยเลยนะ 75% เนี่ยมันแสดงว่าอะไรแสดงว่าคนเราเนี่ยนะคล้อยตามคนอื่นได้ง่ายนะคล้อยตามคนอื่นได้ง่ายแล้วคนที่มาเป็นอาสาสมัครนี่ก็ไม่ใช่คนธรรมดาแล้วก็อาจะเป็นนักศึกษาอาจจะเป็นคนทำงานพวกนี้ก็มีความคิดของตัวเองนะ แต่ว่าเราก็รู้ด้วยนะว่าคำตอบที่ถูกต้องคืออะไรแต่พอได้ยินคนอื่นพูดนะตอบผิดเนี่ยก็คล้อยตามเขาเกิดลังเลสงสัยขึ้นมาวิของเรานี่ตอบถูกหน่หรือที่เราคิดไว้เนี่ยพอเห็นคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามตอบและตอบไม่ตรงกับตัวก็เริ่มเขวยนะแล้วก็ตอบคล้อยตาม คนที่พูดก่อนหน้านั้นโดยที่ไม่รู้ว่ามันเป็นคำตอบที่ผิดและไม่รู้ว่าคนที่ตอบก่อนนี่คือพวกหน้ามานะคนเราเนี่ยนะเขาว่าเป็นสัตว์สังคมนะเราก็ยังมีสั ญ, สญชาติยานแบบฝูงอยู่นะก็ ค, คือคล้อยตามฝูงนะถึงแม้เราถึงแม้วันเราเนี่ยจะพัฒนามา ถ, ถึงยุคนี้แล้วนะแต่ว่า กายคล้อยตามคนอื่นก็ยังเป็นสัญชตาตญาณนะที่อยู่ในหัวของเราเคยมีการทดลองอีกคราวหนึ่งนะเขาแกล้งว่าทําให้เกิดอุบัติเหตุตามสีแยกนะตรงสีแยกสีแยกหนึ่ง mm hmm. ก็มีคนเห็นเหตุหการณ์เยอะแยะเลยตอนที่เกิดอุบัติเหตุรถชนกันนี่สัญญาณไฟที่ถนนถนนหนึ่งเนี่ยมันเป็นสีแดงนะใครๆก็เห็นว่าเป็นสีแดง แต่พอเกิดอุบัติเหตุรถชนกันก็จะมีผู้ทดลองก็จะให้นา ม, มาเนี่ยไปกระซิ บ, บไปกระซิบบอกคนที่อยู่แถวสี่แยกนะว่าเมื่อกี้เนี่ยตอนที่เกิดเหตุนะสัญญาณไฟเป็นสีเขียว <c oughs> ก็ไปกระซิบบอกประมาณครึ่งหนึ่งของคนที่อยู่ตรงสี่แยกและเห็นเหตุการณ์ไปกระซิบนะกระซิบแบบแนบเนียนหน่อย สักพักก็จะมีนักวิจัยเนี่ยมาสอบถามว่า้ เ, เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกี้เนี่ยคุณจําได้ไหมว่าสัญญาณไฟมันสีอะไรปอกว่าครึ่องหนึ่งตอบว่าสีเขียวเปล่าเปล่าสีเขียวนะทั้งที่ก่อนหน้าที่จะมีหน้ามามากัซิปเนี่ยก็เห็นอยู่นะว่ามันสีแดงแต่พอมีหน้ามามากัซิปนี่เปลี่ยนเลยทันทีเลยนะ แสดงว่าความจำของคนเรานี่ก็ไว้ใจไม่ได้นะเวลาแค่ไม่ถึงห้านาทีนี่นะความจำเราก็เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เพราะอะไรเพราะมีคนมากระซิบบอกอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการที่คนเรานี่คล้อยตามนะคล้อยตามคนที่มาบอกได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงไม่น่าแปลกใจนะว่าทำไมเนี่ยผู้คนจึงช่วยกันปล่อยข่าวลือ คือนอกจากเชื่อข่าวลือแล้วยังปล่อยข่าวลือนะมีข่าวลืออะไรมันก็เชื่อง่ายแล้วก็พอเชื่อแล้วก็บอกคนนั้นบอกคนนี้และวยิมีการในเดี๋ยวนี้มีเฟซบุ๊กเนี่ยนะมีไลน์เนี่ยพอมีการแชร์กันเยอะๆแชร์เรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยแชร์กันเยอะๆนี่เราก็คล้อยตามนะเราก็เชื่อเลยเพราะว่ามันมีการแชร์กันเยอะเสร็จแล้วเราก็แชร์กับเขาบ้างนะกลายเป็นเครื่องมือในการปล่อยข่าวลือนะ อันนี้เกิดขึ้นเยอะนะในในแวดวงเรียกว่าไซเบอร์สเปซนะหรือว่าแวดวงอนะินเทอร์เน็ตอันนี้คือความจริงนะที่เราน่าจะตระหนักเอาไว้นะว่าเราเนี่ยคนเราเนี่ยคล้อยตามง่ายนะยิ่งถ้าไม่มีสติแล้วนี่จะคล้อยตามอะไรได้ง่ายๆมากนะคล้อยตามคำพูดของคนอื่นขณะเรื่องง่ายๆนี่นะยง เรายังตอบผิดเลย ท, ทั้งที่ถ้าไม่มีใครมาพูดโน้มน้าวนี่เราก็ตอบถูกนะัเราก็รู้ว่าคาตอบคืออะไรแต่พอมีคนมาพูดพูดพูดเข้าใจเราเขว้แล้วมนุษย์เรานี่เขว้ง่ายนะส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่นี่เขว้ง่ายชักจูงง่ายนะไม่ว่าจะเรียนมาปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญา เ, เขว้ง่ายยิ่งอยู่กันเป็นกลุ่มนะ มันก็ยิงเขวไปตามกลุ่มได้ง่ายอันนี้พูดไปแล้วนะเมื่อสามสี่วันก่อนอกลุ่มเขาชวนกันไปตีกันใครที่อยู่ในกลุ่มนั้นก็ไปกับเขาง่ายๆทั้งๆ ท, ที่ก็ไม่ได้โกรธแค้นอะไรกับอีกฝ่ายหนึ่งไม่รู้จักด้วยซ้ำแต่ว่ากลุ่มมันพาไปเราก็ไปบางทีกลุ่มนั้นเนี่ยมันก็เริ่มต้นจากคนแค่คนสองคนนั่นแหละนาไป คนแรกหัวหน้านําไปคนที่สองคนที่สามก็คล้อยตามพอคล้อยตามสามสี่คนไอ้ที่เหลือนะเป็นร้อยก็คล้อยตามเนะี่ยอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์เดียวกับการที่เกิดการปั่นทุนนะพวกเราก็รู้นะคนที่เล่นทุนนี่ก็มีความรู้เยอะนะแต่ว่าเวลาเขปั่นทุน ก, ก็ปั่นกันอย่างเงี้ยเริ่มต้นแค่คนสองคนมีหน้ามาม า, มาปั่นมีหน้า ม, ามามาหาซื้อไอ้คนที่เหลือก็ ตามไปซื้อด้วยมันก็เป็นการปั่นราคาให้สูงขึ้นหรือเวลาจะทิ้งนะจะขายหุ้นเนี่ยก็มีหน้ามาขายที่เหลือก็ขายตามนะเขาเรียกว่าแมงเมานะแมงเมาแล้วคนมุนนี้ก็มีการศึกษานะแต่ว่าก็ยังไม่สามารถจะหนนะีสัญชตาตญาณเดิมได้คือว่าการคล้อยตามฝูงนะและที่จริงอาจจะคล้อยตามแียงเพียงแค่ไม่กี่คนนั่นะสติสำคัญมากเลยนะสะติเนี่ย ถ้าเราไม่มีสตินี่เราคลอยตามแบบไปผิดทิศ ผ, ผ, ผิดทางนะไอค้คอยตามเรื่องการตอบคําถามผิดๆนี่ยังไม่เท่าไหร่นะแต่คอยคอยตามเรื่องอื่นนี่ก็อาจจะเกิดผลเสียหายได้ในแง่นหนึ่งเนี่ยการมีเพื่อนที่ดีก็ช่วยได้เยอะนะแต่ถ้าเพื่อนนี่บางทีแม้เพื่อนดีก็ผิดได้นะพลาดได้ดังนั้นต้องมีความเป็นตัวของตัวเองไว้บ้างนะไม่งั้นเนี่ยเราก็จะโดนคนหลอกได้ง่ายๆ เอาละเตรียมรับพร